นะโมตัสสะพะโกะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะโวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะโวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาณิปัลโลกัตสงปฏิทถาโหนติปานินันติติ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 สมัยเป็นพระน้อยผนุ่มจนสมัยเป็นสมณีนหรือเป็นพระหลวงพ่อก็เข้ามาหาคุณแม่โดยสม่ำเสม อ, อแล้วก็ท่านก็ได้พูดกล่าวแ น, แนวความคิดอะไรแต่ก่อนก็ให้ฟังหลวงพ่อเองได้ยินได้ฟังแนวความคิดของคุณแม่แล้วก็ซึง้งในจิตใจมาช่วงหนึ่งท่านอายุมากแล้วนะหลวงพ่อก็ถามโอ้คุณแม่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 ตอบได้เร็วนะถ้าไม่อยากจะแก่ก็ตายซะทันว่ะเออใช่นี่แหละนีละคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับลูกหลานในถินนี้ท่านได้แนะ น, น, นำสั่งสอนแต่ก่อนหน้านี้ท่านกเออ็เป็นแม่ชีแต่ว่าเป็นชีที่อยู่ในกรอบศิลศิลธรรมเป็นผูม้มุ่งมั่นในธรรม อยู่ในความสันโดษอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่สมัยก่อนหน้านี้ท่านก็ได้ศึกษาธรรมะจากองหลวงปูมั่นอย่างที่ท่านในอำเภอได้กล่าวประวัติของท่านไกลๆจากนั้นท่านก็ได้ศึกษาธรรมะจากองหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวเป็นผู้แนะนำสั่งสอนแล้วก็หลวงตามหาบัวเมื่อแนะนำสั่งสอน คุณแม่ก็ยอมรับว่าทมคำสอนขององค์หลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอนนะ้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะที่ถอดถอนอกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรหลงของจิตใจได้สงบที่ขาดออกจากจิตใจได้จากนั้นหลวงตามหาบัวท่านก็ให้ความสำคัญหรือ ว, ว่าให้ความมั่นใจว่า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 ปัญญาเอกรับรองปัญญาเอกลักษณะอย่างนั้นแหะคือความรู้ในจุดนั้นเน่ยเหมือนกันไม่แพ้กันดวงตารับรองแต่พวกเราท่านทั้งหลายศิทธิญาณุสิทธิ์ลูกหลานทั้งหลายก็มีแต่ฟังแต่พอคุณแม่ล่วงรับดับขันไปพวกเราก็ได้ไปชุมเพิงศรีร ะ, ะของคุณแม่ไม่นานกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระาธาตุให้พวกเราได้เห็นดังนั้นจึงพวกเราจรึง ม, มั่นใจ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 พวกเราคณะกรรม ก, การได้ปรึกษาปรารพกันพราะเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นวันที่ฝนตกชกแล้วนั่นพี่น้องชาวถิ่นนี้ก็เดือนพฤษภามิถุนาเนี่ก็เป็นปีเป็นเดือนที่ลงทํานาทำนาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาจัดงานในขณะที่พี่น้องกําลังทําไร่ทํานาก็เป็นการรบกวนพี่น้องจิตทายญาติโยมลูกหลานเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทําำถูก การสถานที่บุคคลกาลเทศะนะพวกเราจรึงได้ไปชมกันว่าน่าจะเอาอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกปีแต่ปีนี้ตกตกสุดท้ายจริงๆปีนี้ตรงกับวันที่สามสบเอมีนาห้าหกเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายเพราะนั้นวันพรุ่งนี้เป็นวันทําบุญลํำลึกถึงพระคุณ แต่ลูกพ่อก็ได้บอกกับคณะสาาัตยาธิษฐโยมทุกหมู่เราบอกว่าถึงเราจะไม่ได้ทําวันที่1 8บแปมิถุนาก็เถอะนะแปลว่าพวกเราเนี่เป็นลูกเป็นลูกหลานเป็นลูกหนี้ชั้นดีทาไมจึงว่าเช่นนั้นเพราะพวกเราใช้หนี้ก่อนกําหนดฮะลุงพ่อว่านะพวกเราใช้หนี้ก่อนกําหนดแต่ถ้าว่าพวกเราไปทําบุญเดือนกรกฎาสิงหาไปนั้นไปว่าลูกหนี้ทะเลถลาย วันของคุณแม่วันที่17บเจ็ดิบดมิถุนานูน่นเดือนต่อไปจะค่อยทำบุญหาท่านอันนั้นแปลว่าลูกนี่ลูกหลานทะเลทะลายแต่พวกเราเป็นลูกหลานชั้นดีพอถึงกําหนดและพวกเราก็พร้อมใจกันมาร่วมกันทำบุญลำลึกถึงพระคุณของคุณแม่ในวันนี้แต่ก็วันนี้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหารมาเป็นท่านมาเป็นประธานแล้วก็ท่านนายอำเภออำเภอคำเชียีแล้วก็มีท่านสอวจิตแล้วก็มีท่านหลายๆท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นับว่าเป็นสริริเป็นมงคลสําหรับลูกหลานของพี่น้องชาวบ้านห้วยทรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเองในฐานะลูกหลานด้วยทั้งที่เป็น ญาติด้วยที่เป็นลูกหลานของคุณแม่ด้วยทีถ่ถึงเป็นญาติธรรมด้วยลหลายระดับที่ลงพ่อก็ได้มาทุ่มเทและสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของคุณแม่แต่ปีนี้หลวงพ่อเองก็ได้มีผู้ถวายซื้อที่ดินอีกนะปีนี้นะที่ป่าสักต่อทางหน้าเจดีย์ไปอีกหมดไปทั้งเจ็ดแสนกว่าปีนี้พอหลวงพ่อกล่าวถึงคุณแม่เท่านั้นล่ะก็มีผู้ถวาย พีผู้ถวายหลวงพ่อเลยเอาเลยท่านหลวงพ่อก็เลยได้ปัจจัยไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อนะเป็นปัจจัยของคณะศรัทธาญาติโยมผู้ที่เกิดศรัทธาจะถวายที่ดินของคุณแม่ดังนั้นก็ได้เนี่ยนะชําระไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อซื้อถวายที่ดินให้เหมาะสมต่อไปภายภาคหน้าแต่คุณแม่แนวปฏิปทาของคุณแม่ทำใหม่ ทำาไมพวกเราจึงเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาในคุณแม่เพราะคุณแม่สรุปแล้วก็คือเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีฮิริคือความละอายแก่ใจโอตตปะคือความกลัวต่อบาตหรือคุณแม่เป็นผู้นักแน่นในศีล ส, สมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาศีลคือท่านรักษารักษาศีลอุโบสถรักษาศี 8, ลปบริสุทธิ์บริบูรณ์ แล้วก็สมาธิของท่านท่านก็เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจเรื่องสมาธิแล้วท่านอธิบายได้ชัดเจนสำหรับผู้ที่เขามาถามเรื่องสมาธิกับคุณแม่เพราะว่าท่านเน้นหนักทางนี้อยู่แล้วและก็พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ศึกษาทำคำสอนของพระพระทุทธเจ้ า, ท, า, ท, า, ท, ำำ ท, าท่านก็แนะนำ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 หลวงปูล่ล่าหลวงตามหาบัวเป็นตูรุแล้วมีเยอะนะหลวงปู่จามแค่เราเข้าในกลุ่มกลุ่มลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนอะไรท่านบอกว่ า, วาท่านหลวงปู่มั่นสอนถ้าว่าสมถะนะภาวนาสมถะสมถะและวิปัสนาสมถะคือทำจิตใจให้สงบวิปัสนาคือกั้นกลองไตรตรองเหตุและผล อันนี้สมติ ถ, ถ่คือทําจิตใจให้สงบนั้นหลวงปู่มั่นสอนว่าให้ภาวนาอาณาปานสติกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้เรียกว่อาณาปานสติแต่หลวงปู่มั่นพนวกเข้าไปสองออสองอย่างคือตามพระจริงพุทธานุสติธรรมานุสิสังขารแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเอาเถอะ เ้าภาวนากำหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลุดได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายต้องเอาสองเข้าไปคื อ, คอหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนี่หลวงปู่มั่นเป็นกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นคือกรรมภาวนาพุทธโทถ้าว่าสายอื่นก็ว่ายุบนอะพองนาะบางทีก็กำหนดเรื่องสติบางคนก็กำหนดตัวเตสุดแท้แต่ ผู้ที่จะแนะนําสั่งสอนสิทธิญาณุสิทธิผิดไหมไม่ผิดนะพันธสัตย์ท า, าติโยมลูกหลานหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าการแนะนําสั่งสอนกรรมฐานเหมือนกับการแนะนําาทงการทํามาค้าขายนั่นแหละการทํามาค้าขายแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผลกําไรหรือผลก็คือเงินเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าการปฏิบัติอย่างไรท่านปฏิบัติได้อย่างไรท่านก็ เอาแนวแถวของท่านมาแนะนําสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านแต่เมื่อนำแนะนำสั่งสอนแล้วท่านตัวท่านเองท่านก็ได้เอได้ทําที่ท่านได้นาสั่งสอนน่ะท่านมาแนะนําสั่งสอนพวกเราเราจะไปถือว่ า, เ, าเราไนดะ้เราเรียนวิชาทางนี้แล้วไปปาหมาดองค์นั้นองเรียนองค์นั้นแรือปาปาหมาดองค์นี้มันไม่ถูกอันนั้นเป็นบาปกรรมเพราะเราไม่ไม่รู้อไม่รู้ไม่ไม่ชำนาญ เราจะไปปาหมาดท่านเป็นบาปเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเราต้องฟังถ้าเราทดท่านสอนอยังไงเราปฏิบัติดูถ้าปฏิบัติดูแล้วเออไม่ได้ว่ไม่ถูกกอุปนิสัยของเราเราก็เปลี่ยนกรรมาฐานใหม่เออแล้วก็ไปเอาฟังดูซิองนี้ดูซิเมื่อเราไปเรียนดูแล้วถูกกับจริตของเราเอออันนี้ใช้ได้เอีอ่ยเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติอันนี้แหละให้พวกเราใ่ในการศึกษาอย่างที่หลวงพ่อแนะนํา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 นับหนึ่งหายใจออกนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับถึงร้อยไม่เผลอนะแสดงว่าสติของเราดีนะคําว่าเผลอมันเผล อ, อยังไงเวลาหายใจเข้านี่หนึ่งเป็นเลขคี่นะสองออกเป็นเลขคู่สามเป็นเลขคี่สี่เป็นเลขคู่ห้าเป็นเลขคี่หกเป็นเลขคู่เข้านี่เป็นเลขคี่ออกนี่เป็นเลขคู่นะถ้าหากว่ามันจะเผลอเนี่ยเออมันจะเบอร์ อจากนั้นก็หายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขคี่สลับกันแสดงว่าสติของเราย่ําแย่แล้วถ้ามันเผลอบ่อยๆเนะยิ่งย่ําแย่ใหญ่เออไม่ควรจะไว้ใจแหละเออต่อไปเนี่ยเราจะเป็นอัลไซเมอร์ได้ไง่ายๆแล้วเป็นบ้าอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะขาดสติคนขาดสติมากๆในแะต่ะคนบ้าฮหเราจะเป็นลักษณะ น, นั้นหรือเปล่าเนี่ย เ, เราต้องตั้งสติให้ดีนะนี่แหละให้เราพยายามดูดูให้เข้มงวด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 มีมากลากหลายสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงกบิลพัทสมัยนั้นท่านเทศนาว่าการพระบิดาของท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระอนาคาเป็นพระรหันต์จากนั้นพระมารดาเลี้ยงของท่านก็ออกมาบวชก็ได้สำเร็จเป็นพระรหันต์แต่นี้ยังเหลือ น้องชายน้องชายของท่านน้องชายพระพุทธเจ้าชื่อพนันทะแล้วก็น้องสาวคือนางรูปานันธาน้องสาวของพระพุทธเจ้าแต่น้องสาวต่างมารดานะพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเรีอว่าประสูตกับพนางเฉลิมหามายาแต่นันทะกุ ม, มารกับรูปานันธา เ, นเกิดกับนางโคตมีแม่น้ะ คือแม่น้าเนี่ยก็คือเป็นน้องสาวของของนางสิริมหามายาคือพระเจ้าจุธโอธนะพอนางสิริมหามายาประสูติสิท ธ, ธัตถะคือพระพุทธเจ้าของเราได้เจ็ดวันสิริมหามายาก็ได้สวรรคตพอสวรรคตแล้วพระเจ้าจุธโอธนะก็เลยได้แต่งงานกับน้องสาวเป็นอคคมเหสิสีคือนางโคตมีนางโคตมีก็ได้เลี้ยง เป็นพระเป็นพระแม่เลี้ยง เ, เลี้ยงเลี้ยงหลานอาแต่ท่านก็รักยิ่งกว่าลูกของท่านได้อีกลักพระพุทธเจา้าพระทรามพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ใครๆเห็นก็รักเคารพนับถือเลื่อมใสทั้งหมดานางโคตมีอคคมาเหตสีใหม่นี่ก็ประสูตรเืียว่านันทะกุ ม, มานกับภูปะนันทานจากนั้นพอพระองค์พระพุทธเจ้าของเรา เ, เป็นศรัทธะพ่อเป็นหนุ่มขึ้นมา ก็เป็นที่พอใจในการแสดงศิลปะอะไรให้พระบิดาหรือเป็นพระพระประยุรญาตดูเป็นที่พอใจอย่างมากอย่างนั้นพระบิดาก็เลยยกให้ศิริษฐาเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครอ ง, ป ก, รองปกครองแทนพระบิดาจากนั้นพระองค์อายุถึงอายุยี่สิบเก้าปีพระพุทธเจ้าของเรานศิริษฐาของเรากหนีออกจากเวียงวังไปบวชอยู่ในป่า หนีออกกลางคืนอีกต่างหากนะแบบขโมยหนีอะไล่ะไปอยู่ถึงแม่น้นําอโนมาณทีเขตแขวงกรุงราชจะคืจากนั้นท่านก็ได้ทรงผนวชอยู่ในป่าอยู่การท่งผนวดคราวนั้นน่ะทดลองผิดทงกลองถูกถึงหปีอยู่ในแม่น้นําอโนมาณทีจากนั้นก็ได้สําเร็จได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นก็พอกลับมาโปรดพระบิดา เทศให้พระบิดาฟังพระบิดาก็เลยสำเร็จพระโสดาบันเป็นครั้งแรกจากนั้นก็เป็นพระอนาคามีพอสุดท้ายท่านก็เลยไปสำเร็จเป็นพระรหันต์พระเจ้าขุดชุดโธทนานะเมื่อท่านเมื่อท่านปรินิพานเนี่ยจะว่าสวรรคคตไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าจุดโททนะเนี่ยพระบิดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ต้องว่าปรินิปรินิพานถึงจะเป็นคารวาสก็เถอะก็ต้อง ใช้ศัพท์ว่าพระเจ้าจุโธธนะปรินิพานฮนะอย่างนั้นก็พอต่อมานางโคลจะมีพระแม่เลี้ยงเนี่ยก็ขอบวชก่อนที่จะขอบวชโอ้ประวัติจะยืดยาวนะแต่ตัว น, นี้แต่พระเจ้าก็ให้บวชบวชเสร็จแล้วก็นางนั่งเหลือแต่ น, ะนันทะกับรูปะนันทาแต่นี้นเขาพระพยุรยาต ท, ทัา้งหลายก็จะจับแต่งงานนะคือสมัยนั้นเขาไม่ได้ว่านะ พี่น้องแต่งงานกันพี่ชายแต่งนางานกับ น, น้องสาวนะีแต่นี้พอถึงกําหนดแล้วก็จะแต่งงานให้ครองครองเรือนนะจากนั้นพระองค์ก็เข้าไปเพลโปรยนะไปโปรดพระบิดาพระบิดาก็ยังยังอยูนะ่จากนั้นก็เห็นน้องชายกําลังจะแต่งงานอย่างไรนันทานี่อก็ mm hmm. นันทาก็เห็นพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เข้าไปฉันในเวียงวังนันทาก็เข้าไปปนนิบัติ ดูแลถวายสิ่งของถวายน้ำถวายสิ่งของเสร็จแล้วก็พอพระพุทธองค์สวยพระกิหารเสร็จก็ให้นันทาเป็นผู้อุ้มบาตรเป็นผู้อุ้มบาตรตามหลังพระพุทธเจ้าพออุ้มบาตรมามาถึงหน้าประตูที่จะลงจากเบียงวังนางรูปะนทาที่เป็นน้องสาวกำลังจะแต่งแต่งงานในวันนั้นเห็นว่าพี่ชาย กำลังจะตามเสด็จพระพุทธเจ้านะนางรูปะนันทาเนี่ยกาลังสะผมอยู่ว่าน้นล่ะกําลังสะผมล้างผมสะผมอยู่ก็เห็นว่าได้ยินว่าพี่ชายจะไปตามพระพุทธเจ้านางก็ไม่ได้คิดอะไรเออออกมาจากที่สะผมเลยน้ําผมน้ํายังไหลหยดอยู่เออยังไหลหยดอยู่ก็สังว่าเอพู้ลูกเจ้า เมื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วรีบกลับนะพะยักขานี่นางรูปะนันธาสั่งสั่งพี่ชายนะพี่ชายก็มองเห็นน้องสาวอแต่จะได้แต่งงานกันในวันนี้อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เดินเดินพอไปถึงหน้าประตูพระพุทธเจ้าก็ไม่รับบาดจากนันทะนันท ะ, นนทะเอ๊ะพระพุทธเจ้าจะรับบาตรคงหน้าประตูคงจะรับรับเอาบาด ท, ท่านมั้ง พอไปถึงพารานกล า, ลกางกลางสนามนันทาก็คิดเอ๊ะพระพุทธเจ้าคงจะรับอวาบาัดตรงกลางสนามก็เดินไปอีกไปถึงประตูประตูวังเอ๊ะพระนันพระพุทธเจ้าคงจะรับอาบาตรอยู่ที่หน้าประตูมั่งพระพุทธเจ้าก็เดินเฉยไม่รับอาบาัดจากานานาพระนันทาก็ไม่รู้จะส่งบาตรให้ยังไงเพราะพระพุทธเจ้าไม่ถามอาบาัดแต่อุ้มบาตรตามหลังไปอย่างนั้นทเลยพอไปถึงที่ในกรุง กบินละพัดนะ่ะป่ามะม่วงพอไปเข้าไปแล้วพระพุทธองค์ก็ถามว่านันทะจะบวชไห ม, ไมเมื่อพี่ชายพระพี่ชายถามอย่างนั้นได้ทำยังไงท่านนี่ไม่บวชครับก็เป็นการปฏิเสธขาดความเคารพในพระพระพี่เจ้าที่เป็นพี่ชายก็ถามว่าบวชไหมทุดแท้แต่ พระพี่จะให้บวชก็บวชครับเออเอาบวชชนะอไปบวชซะกระสั่งไปอ า, อ, าอานน์สารีบูตรโมกขลาบวชนันทะจากนั้นพระนันทาก็เลยบวชเหมนกันเถอะพอบวชเสร็จแล้วก็อยู่ในวัดแหละนี่นางรูปปันนันทาก็ไม่ได้แต่งงานเลยเแต่พระเจ้าจุโธโอทนาก็เสียใจยอยู่เหมือนกันเออเราเคยคิดว่าจะให้นันทะเป็นผู้แทน เป็นน้องชายแทนปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินฮะจากนั้นก็ต่อมาเนี่กับพระเจ้าสุโทธทนาก็ท่านก็เสียใจแล้วก็อยังเหลืออยู่ลาหุนราหุนคือลูกของพระพุทธเจ้านี่ยังเป็นลาหุนเออต่อไปราหุนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ก็ดีละเมื่อน้องชายบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังหลานต่อมาอกีกเลยนางพิมพ์พายโสธราที่เป็นแม่พระลาหุนเนี่ย ที่เป็นมารดาของพระราหุลเนี่ยเอท่านเห็นเอพระพุทธเจ้าเข้าไปมามาฉันในเวียงวงังพระราหุลก็อายุเจ็ดปีพอมาฉันในเวียงวงังบ่อยก็บอกให้ลูกชายว่านี่นะลูกราหุลลูกนี่สมณะผู้เดินก่อนน่ดผู้สูงสูงนะที่องค์อาจนะที่เดินก่อด น, นะนั่นแหะคือพระบิดาของเจ้านะลูกนะแต่ก่อนเมื่อพระบิดาของเจ้าเนี่ยครองราชอยู่เนี่ย ผมทรัพย์เกิดอยู่ในสี่มุมเมืองครับมีหลุมเงินหลุมทองอยู่ในสี่มุมเมืองแต่พอพระบิดาของของลูกออกไปบวชแล้วหลุมทรัพย์ทั้งสี่มุมเมืองหายอันตรธานหายไปเลยเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของลูกจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงกรบินและพัขอให้ลูกไปกราบขอขอพ่อนะบอกว่าพระบิดาครับ เมื่อพระ อ, องค์ครองราชสมบัติอยู่ขุมทรัพย์เกิดในสี่มุมเมืองแต่บัดนี้ขุมทรัพย์เหล่านั้นได้หายไปแล้วขอพออระองค์ประทานพระราชทานและประทานให้ข่าพระ อ, องค์โดยเทิดต่อไปข่าพระ อ, องค์จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองเมืองกรุงกบิลพัทแต่ขอให้มีขุมทรัพย์เกิดขึ้นเหมือนกับพระ อ, องค์ยังสวยลาดในครั้งนั้นโดยเทิดพระเจ้าข่าแม่แนะนาลูกชาย ลูกชายก็มั่นใจแตหนึ่งก็เดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปอีกออพอมาชั้นเสร็จแล้วก็เดินตามหลังอแต่หนี่พอไปถึงกพระบิดาครับขอประทานหุมทัพย์ให้กับผมด้วยครับเออพูดตามหลังไปพระพุทธเจ้าก็เออเออไปเรื่อยพอไปถึงวัดป่าป่ามะม่วงที่ว่ากุงกบิลพัฒน์ทวารราหุนจะบวชไหม ลาหุ่นก็ไม่รู้เอ า, อ ย, า, เ อ, า, านะอย่าไปเอาโลกิยาซั์นะลูกนะอย่าไปเอาโลกิยาซัพย์นะเอาโลกุตละรัพย์ก็แล้วกันโลกิยทรัพย์มันมันหมดเป็นมันหายเป็นอันตราธานหายไปได้แต่โลกุตลทรัพบเนี่ยเป็นทรัพย์ที่สาวรที่มั่นคงเอาโลกุตโลกุตละซับดีกว่านะลูกนะครับผมพวกเราบอกเอาถ้างั้นสารีบุตรเอาลาหุ่นไปบวชนะแต่ได้พระลาหุ่นก็ เอาภาษาริบุตรที่เอ็นเป็นอัครสา ว, วกของพระพระทุทธเจ้าก็นำลูกชายของพระพุทธเจ้าไปปงผมจากนั้นก็บอกกรรมฐานและวก็บวชเป็นสมณีตอนนี้แหละพระเจ้าจุดโททนาะโอเป็นเดือดเป็นร้อนขนานหนักเลยทีนี้คือตั้งความหวังว่าจะให้นันทะเป็นเป็ น, ปนพระเจ้าเป็นดินแล้วก็ยังพาดไปถึงพระราหุนอีกราหุนบวชอีกทีนี้ พระเจ้าจุ่โทรธนา ไ, ไปกราบพระพุทธเจา้าเนยกราบลูกชายกราบ พ, พระพุทธเจ้าขานขนาดข้าพระองค์ได้เป็นพระอริยะบุคคลรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมในระดับหนึ่งแต่ขนาดนี้ข้าพระองค์ก็ยังเสียใจอย่างมากที่ลูกชาย น, านันทาบวชก็ไม่เท่าไหร่เพราะยังหวังกับพระราหุนลูกหลานชายแต่บัดนี้ลาหุนบวชข้าพระองค์เสียใจอย่างมากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะลูกเนาะ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 ในพระพุทธศาสนาต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ซะ ก, ก่อนอถามที่ว่าอนุญญาโตซิมาตาปิโตหิเจ้าได้รับอนุญา ต, จ า, าาา ต, ญาตจากบิดามารดาหรือยังอามะพันเตครับผมได้รับอนุญาตจากบิดามารดาแล้วจึงค่อยให้บวชนะแต่ถ้ามารดาทำพ่อแม่ไม่ อ, อนุญาตเนี่ยพระพุทธเจ้ามาให้บวชนะเพราะพ่ อ, พ, อพ่อแม่ไม่ อ, อนุญาตนะ นี่ะอันนี้คื อ, ค, อความเป็นมาของวินเนจากนั้นพนางรูปานันทากอ็อยู่ในบ้านเยแม่ก็บวชพี่ชายก็บวชหลานก็บวชพี่สะพ้ยก็บวชแต่นางก็อยู่ตามลำพังแต่ว่าจะไปฟังเทศพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าตำหนิว่าร่างกายสังขารเป็นอสุภะปฏิกูล เ, เป็นของที่ไม่เสร็จสวยงดงาม เป็นอาจุพะมีแต่ของโสโครกไหลออกจากจากทวารทั้งเก้าขี่มีขี้หูมีขี้ตามีขี้จมูกมีขี้ปากขี้ฟันแล้วก็มีอุจจาะปัสสวะแล้วก็ของปฏิกูลไหลออกจากผิวหนังต้องชำระต้องล้างอยู่ทุกวันร่างกายเป็นของปฏิกูลเป็นของโสโครกเป็นของที่ไม่น่าดูถ้าพิจนารณาตามธรรม เพราะพระไตรเจ้าเทศนาว่าการอยู่อย่างนี้นางรูปาปนันทาโอ้ร่างกายของข้าตาก็สวยหูก็สวยอะไรก็สวยมั อ, อพอได้ยินพระพุทธเจ้าตำหนิไม่พอใจไม่ไปฟังเทศนี่นี่แหละคนในครั้งนั้นก็มีมันการถ้าติดสวยติดงามใช่ไห อ, อจากนั้นนางรูปาปนันทาไม่ไปไม่ไปฟังเทศแต่ที น, นี้ก็ต่อมาก็เห็นว่าแม่เขาบวช นางโคตมีก็บวชแล้วไปอยู่กับแม่ เ, เป็นภิกษณุณีแต่ไม่ยอมบวชนะไปอยู่กับแม่แต่ทีนี้ก็ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีน้อยหนุ่มทั้งหลายก็มากระกามาบอกโอ้โหพระพุทธเจ้าเทศวันนี้ยดย้อยเหลือเกินหน้าฟังเหลือเกินมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าเทศใครๆก็มาพูดนางรูปนัตนท า, ทาก็ฟัง เขาว่าพระพุทธเจ้าเทศดีเหลือเกินพระพี่ชายของเราในเทศดีอบรมดีเราควรจะไปฟังเทศวันนี้ไปดูดูซิเป็นยังไงไอ้ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าวันนี้รูปนันธาจะเข้ามาฟังธรรมเราจะมาฟังเทศเราวันนี้เขาจะนะักเขาจะยืนอยู่มุมนั้นเขาจะนั่งอยู่มุมนั้นพระพุทธองค์รู้แล้วสิพอนางรูปนันธามาถึงพระพุทธเจ้า นิลมิรเลยนะใช้นิลมิตรเลยนะใช้ฤทธิ์เลยนะอิทธิฤทธิ์เลยนะนิลมิตรหญิงสาวคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆที่พระพุทธเจ้าเทศหญิงสาวคนนี้สวยมากเหมือนกับนางสวรรค์สันไหนก็ไม่รู้ยัไงอายุสิบห้าสบหปีถือพัดนะถือพัดพัดพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าก็เทศการเทศนาว่าการเฉยแต่คนอื่นไม่เห็นนะเห็นแต่นารูปานันทาคนเดียว เห็นเห็นรูปนิมิตนะเนี่ยแต่นางลูปันธาเห็นไม่ฟังเทศพระพุทธเจ้าเลยตาจ้องอยู่โอ้โหเราก็ว่าเราสวยงามแต่มาเห็นหญิงสาวคนนี้เราเราตกขอบเลยว่าไั้นี่ยเรานี่ไม่รู้ว่าเป็นลิงอยู่ป่าไหนก็ไม่รู้หญิงคนนี้ทำไมสวยถึงขนาดนี้คือนางลูปนนันธานตามลำพังอยู่ในห้องสิบสองศอกนี่แสงสว่างออกจากร่างกายนะ ไม่ต้องไม่ต้องจุดเทียนไปหยิบเอาของในห้องมืดๆนี่ได้เลยเพราะเห็ุอะไรเพราะว่ามีแสงสว่างออกจากร่างกายนี่แหละความสวยงามท่านจะติดในร่างกายนางรูปนนานทานเนี่ยจากนั้นก็พอนาเจ้าดูไม่ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนนิมิตผู้หญิงคนเนี้ยถือพัดวีพัดพระพุทธเจ้าอยู่พอพัดไปหญิงคนนี้ก็หญิงสาวน้อยคนนี้ก็ อายุแก่ขึ้นเรื่อยๆใช่อายุยี่สิบห้าอายุสามสิบอายุสี่สิบอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบพออายุถึงเก้าสิบเลเ อ, อนางสาวน้อยตะกอดเนี่ยดูๆแล้วแต่ะดิมันไม่เป็นอย่างนั้นผมขาวจะดิห น, นังเหี่ยวฟันหลุดเออตาฝ้าฟังเวลาจะพัดแต่ละครั้งเนี่ยชักที่ชักงอกร่างกังออกหนักตะก่อนีัยค่อยพัดแต่ละครั้งที่นี่นางรูปะนันทาเห็นโอ้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 สอนน้องสาวคนนี้จบแล้วจากนั้นนางก็เลยได้บวดเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาต่อมามาพูดถึงพนันทะทีนี่ไอ้พนันทานี่ก็พอบวชเข้าม า, าได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ยก็ลํำลึกถึงพระนางรูปนันธาและที่เป็นน้องสาวที่มาสั่งเสียกำลังจะลงจากบันไดบันไดพระราชวังนางโผล่ออกมาจากหน้าต่าง บอกว่าพระลูกเจ้าไปรรนะาาไแล้วรีบกลับนะพระยค่ะเนี่ยคานี้เราเหมือนันเมันมันเติบอยู่ในใจของพนันทะเหมือนกันเถอะคิดถึงน้องสาวคํานี้พนานทะเนี่ยก็พอคิดขึ้นมาแล้วก็อยากจะศึกเออในช่วงก่อนหน้านี้อยากจะศึกอย่างมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับตัวพร้อมพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามเอาท่านนันทะท่านไม่สบายเหรือครับไม่มีอะไรครับแต่มันไม่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 ขุดในใจออกมาเลยเลยพระสงฆ์ทั้งหลายก็ไปกราบทูลพระพุทธไเจ้าเลยพระพุทธไเจ้าข่าวนันทะเขาอยากจะศึกนะพระเจ้าข่าวเขาคงจะอยู่ไม่ได้เขาอยากจะศึกพระพุทธองค์ เ, เลยอย่างนั้นเหรอไปเรียกนันทะมาก็เรียกนันทะมาเลยพอเรียกนันทะพานันทะเข้าไปถามว่านันทะเป็นไงเธออยากจะศึกเหลือ พอมันมันเดือดถึงขีดแดงแล้วใช่ไหมล่ะมันอดไม่ได้แล้วแต่นี่พูดตามความเป็นจริงเลยพระเจ้าข่าข้าพระองค์อยากจะสึกอย่างมากเลยพระเจ้าค่าทำไมละ่ะนันทาเพราะข้าพระองค์เห็นนางรู ป, ปนันทามาสั่งเสียในวันนั้นมันอยู่ในจิตใจของข้าพระองค์อย่างเหนียวแน่นเลยมันคิดขึ้นมาเมื่อไหร่มันอยู่ในใจิตใจพระเจ้าค่ะเออเอาเถอะนะไะ พระพุทธองค์เดี๋ยวจะพาเราจะพาไปไปดูจะเอาอยัางไงเอาจะจะึกจะค่อยว่ากันนะตามเราไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปพระพุทธองค์แสดงฤทธนณะทีนี้จากนั้นพระองค์ก็พานันทะเดินตามหลังไปสองพี่น้องเหมือนกันแต่ผูใ้ใจเจ้าเป็นพระเจ้าพี่เดพะพา น, นันท์เป็นเป็นน้องชายต่างมารดา เ, เดินตามหลังไปพระพุทธองค์ก็เดินไปเดินไปไปกลางท้องนา ไอทุ่งนาไปเห็นทุ่งนาจะหนึ่งมีมีตอไม้มีตอไม้ต่อหนึ่งแล้วก็เดินผ่านไปพอผ่านไปกิดพบพระเจ้านิรมิตลิงตัวหนึ่ง่ะลิงตัวเมียนะเออลิงลีงแก่นี่ยลิงแก่ลิงตัวเมียนั่งอยู่ที่ตอไม้อยู่กลางท้องนาไอ้ตอไม้ก็ไฟไหม้ดำๆใช่ไหมลิงก็ขมุกขมอมนั่งอยู่ตอไม้โปรงบอยเห็นไหมนันทะ เห็นครับลิงครับมาก็เดินไปเดินผ่านลิงไปพอเดินไปแต่ไปพระพุทธองค์พาไปชั้นสวรรค์เห็นไหมไปเห็นไปไปดูสาวสวรรค์เมือน่ะพอไปเห็นพวกเทวบุตรมาต้อนรับอนางสาวเทวดาสันสวรรค์เนีลยมากับเทวบุตรเทวดาก็มากราบพระพุทธเจ้าโอ้โหสวยงามมากเลยทีเดีย พระนันธาพระพุทธองค์ก็ถามว่านันทะเห็นไหมเห็นเห็นเห็นสาวสวรรค์ไหมเห็นพระเจ้าข่าเป็นไงสวยไหมโอ้สวยจริงๆพระเจ้าข่ากับนางรูปานันทาที่เป็นน้องสาวของของเธอใครสวยกว่ากันพระพุทธองค์ก็ะซิบถามน่ะใครสวยกว่ากันโอ้นางรูปานันทาเหมือนกระเลงอยู่ในตอไม้เนาะพระเจ้าข่าคนว่าสาวสวรรค์นี่สวยกว่า อจากนั้นก็พอเสร็จแล้วก็เออเอาไปถ้าหากว่าเธอนะ่ปฏิบัติพรมอาจารย์นนะไม่ศึกนะปฏิบัติอย่างเนี้ยปฏิบัติพรมอาจารย์นนะเรารับรองเลยว่าเธอจะต้องได้สาวสวรค์นะไม่ต้องคิดเรื่อง เ, ออเรื่องสาวมนุษย์ว่างั้นครับผมเลยรับเลยทีนี้นเออพอเห็นสาวสวัสดิ์จะได้สาวสวรรค์จากนั้นก็ขึ้นไปอีก ดาววัดึงไอ้จาตูมแล้วขึ้นไปดาววัดึงพอดาววัดึงสาวดาววัดึงสวยกว่าสาวจาตูมอีกแค่นี้อพอเห็นนะโอ้สาวสวรรค์ทัานนี้ทำไมสวยขนาดนี้พระองค์ว่าสวยไหมโอ้สวรรค์เมื่อสวรรค์เมื่อคราวที่แล้วเห็นเมื่อเกี้เนะ่ะอันนั้นเหมือนกับเหมือนเหมือนกระเลงอยู่ต่อไม้ที่พระเจ้าข่าอันนี้โอ้หสวยจริงๆเหมือนกันเอาเถนะนันทะ ถ้าหาว่าเธอปฏิบัติทมนะ เ, เรารับรองออสวรรค์สาวสวรรค์ชั้นนี้ได้แน่นอนถ้าเราเรารับประกันครับผมจากนั้นก็ขึ้นไปอีกสันดูสิตธิ์พอถึงสันดูสิทธิ พ, อ, พอเห็นแล้วก็เอาเอาลนะมั้งเนาะเอาสามสันนี่ก็พอแล้วไปลงไป เ, เธอต้องปฏิบัตินะถ้าถ้าเธออยากจะได้สาวสวรรค์ชั้นนี้ท่านท้าก็ครับผมพอจากนั้นลงมาโอ้ อยากจะสึกนี่หายหมดเลยสินี่พ่อจะได้อยากจะได้สาวสวรรค์ใช่ไหมเออแต่ทีเขาก็ถามว่าท่านนันทะขึ้นไปที่ไหนไปที่ไหนพระพุทธองค์พาไปที่ไหนนันทะก็บอกโอ้พระพุทธองค์พาไปสวรรค์ถึงชั้นดุสิตโอ้สาวสวรรค์สวยมากเออพระพุทธองค์รับประกันว่าเออถ้าว่าผมไม่สึกนะ่ะผมจะได้จะเอา ส, สวรรค์ชั้นไหนก็ได้ผมก็เอาเอาชั้นสูงๆนะ่ะสวย สวยกว่าทุกทุกชั้นคือสวยขึ้นไปเรื่อยไหมเอออันนี้ก็คือพระนันทะจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็พูดเลยแต่นี่นันทะเป็นไงสาวสวรรค์สวยไหมสวยครับพระพุทธองค์รับประ ก, กันจะให้ได้สาวสวรรค์ใช่ไหมครับที่แรกก็ครับตั้งใจครับจริงๆริงเลยพอต่อมาพระทางวัดนี่ถามพวกนันกนถามธรรมเรนจรก็ถามพระก็ถามพอใสุดโอตายตายต เราปฏิบัติธรามเพื่อจะได้สาวสวัสด์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยท่นนี้ก็อายหมูท่านนี่ไปหลบอยู่หลังวัดไปเ น, นี่ยเออไปหลบอยู่หลังวัดโตตายตายเอออายหมูอายหมูเขาเขาคล้ายๆว่ า, าเขาเย่อเยอเ้ย เ, เลยพระี่สุกอะไรไปภาวนาอยู่หลังวัดเลยอยู่ในมุมสงบไปตั้งอกตั้งใจภาวนาพอท่านองค์ตั้งอกตั้งใจภาวนาพระพุทธเจ้าก่นิรภิษไปสอดเนี่ย สอนธรรมขั้ น, น, น ล, ลึกซึ้งให้ พ, พ, พนันทาท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระรหันต์พอท่านได้สำเร็จเป็นพระรหันต์เสร็จแล้วท่านก็อ อ, ออกมาพระสงฆ์ก็ถามว่าพระสงฆ์ที่เป็นปุทิชน น, นัน้า เ, เป็นยังไงท่านเดจะไปสวรรค์ต้องการสาวสวรรค์ชั้นไหนโอ้ยผมไม่ต้องการสวรรค์ทั้งหมดเรื่องสมมติทางหลายท้งปวงไม่อยู่ในใจของผมแล้ว เอกเทศวรชัน้นไหนก็แต่ผมไม่อยู่ในใจแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายเออพนันทะนี่เอออวดอุตตริมนุสษษธรรมเสร็จแล้วเออตัวเองไม่ได้สําเร็จเออกว่าไม่ต้องการคำว่าไม่ต้องการเขานี่คือพระรหันธ์เท่านั้นพูดคํานี้ได้ถ้าปุตติชนน่าจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ อ, อ, อันนี้แสดงว่าอวดอุตริมนุสธรรมลเลยเข้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกนันทะเข้าไปนันทะ เป็นยังไงเธอได้พูดอย่างนี้จริงไหมจริงพระเจ้าข่าเพราะเหตุไรเพราะข่าพระองค์หมดแล้วหมดความสงสัยแล้วหมดกิเลสภายในใจแล้วราคะโทสะโมหะหมดออกจากใจของข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่พระพุทธองค์ไม่ต้องรับประกันให้ข้าพระองค์ที่จะไปสวรรค์ชั้นไหนอีกต่อไปแล้วเออนี่แหละนะพระสงฆ์ทั้งหลายนั้นนนั้ทานะที่เรารับประกันว่า อยากจะให้เธอได้สาวสวรรค์ น, นั้นบัดนี้เธอได้เป็นพระรหานแล้วจบแล้วภาระของเราที่รับปากกันก็แปลว่าสิ้นสุดลงแล้วนะนันทาณ์นะพระเจ้าข่านี่ยนี่แหละการแนะนําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายลหลายๆอย่างอันดับแรกพวกเราได้สังเกตไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนนางรูปะนันทาเนี่ยเอาของออแก่ของไม่สวยอสุภะมาแนะนําสั่งสอน แต่สอนพัฒนันท์่านี่เอาสองสวยงามมาแนะนําสั่งสอนอผลในสุดก็ได้สําเร็จมรรคสำเร็จผลเหมือนกันทั้งสองอย่าง เ, เพราะฉะนั้นสรุปแรกก็คือเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเหมือนกัน เ, เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านใน ศ, ศึกษาธรรมะทำคําคสอนของพระพทุทธเจ้าแต่ถึงยังไงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันได้นําสั่งสอนเนี่ย ให้พวกเรายึดตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อว่านะเพราะเหตุไรผหลวงพ่อแนะนําบอกแล้วบอกอีกว่าหลวงปู่มั่นของเราเมื่อท่านจุตินิพพานท่านมรณภาพไปแล้วพวกเราได้ไประชุมเพลิงท่านอธิษฐานของท่านได้ ก, กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นหลวงปู่สามก็กได้เป็นพระธาตุหลวงตามมหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่ต่างๆอธิษฐานของท่านได้ ก, กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นต่อหน้า ต, ต่อตาแสดงว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่องค์หลวงปู่สาวหลวงปูม่มันมาเป็นสายของพระรหันติบัติธรรมนำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤทธปฏิบัติจนให้สําเร็จมรรคสำเร็จผลเพราะฉะนั้นพวกเราน่าจะตายใจหรือว่าเคารพนับถือเลื่อมใสในปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ออมอบกายถวายชีวิตได้วะ น, นี่คือสายของพระรหันต์เพราะนั้นขอให้ ฝากไว้กับคณะสัตยาญาณโฉมเป็นแนวความคิดนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่ อ, อยังไงกระชุดแท้แต่ในแนวความคิดแต่หลวงพ่อนี่บอกเน้แนวเท่านั้นแหะให้พวกเราท่านทั้งหลายเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นเบื้องต้นว่าปุญญาณิพัลโลกัตมิง พุทธภาสิทยกขึ้นเบื้องตน้นปุญญานิปรลโลกัตสมิงปฏิฐาโหนติปานินันเตกบุญแปลว่าบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรพรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกน่าคือบุญเป็นที่พึ่งของวิญญาณได้ใจของพวกเราใจของพวกเราเกิดมาแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีสองรู ป, ปรธรรมกนามรธรรมรู ป, ปรธรรมคือร่างกาย ร่างกายเกิดมาจากท้องแม่แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นกขไปได้ยากพอเกิดมาแล้วขี่ล่ขี่เละเสร็จสวยงดงามดำขาวก็ได้มาแล้วแต่ใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เป็นให้ให้โง่ ก, ก็ได้ให้ฉลาดก็ได้ให้เป็นบาปก็ได้ให้เป็นบุญก็ได้เปลี่ยนแปลงได้โลกนี้โลกหาได้อย่างที่คุณแม่ที่แก้วได้พูดไว้ในในวรลีหนึ่งนะถว่าโลกนี้โลกหาได้ หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หาในโกก็ได้หาสวรรค์ก็ได้เอหาทุกข์ก็ได้หารวยก็ได้หาทุกข์หายยังไงหาทุกข์ก็ขี้เกียจขี้ค้านนะไม่สแสวงหาทรัพย์ก็ทุกข์เลยแต่หาทุกข์หารวยก็ต้องขยันฮะนี่แหละหาอะไรก็ได้หาในโลกนี่เพราะนั้นพวกเราควรจะหาคุณงามความดีหาสิ่งที่ดีเข้ามาสู่กายว่าใจใจของพวกเราพวกเราจะมีแต่ความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าเมื่อโลกนี้เราก็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 ขอให้มาคุ้มครองพวกเราคณะสิทธิานุสิทธิทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลศิธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเถิดสาธุ